เรื่องไม่ยอมคืนบาทให้เจ้าของเดิมสมัยนั้นพวกภิกษุณีฉาวพกคีไม่ยอมคืนบาทที่มีผู้สละให้ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายบาทที่ภิกษุณีสละให้แล้วจะไม่คืนให้ไม่ได้ภิกษุณีรูปใดไม่คืนต้องอาบาดทุกกฎสิกขาบทที่1จบ